ขอความสุขความเจริญจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิจัยศรีปทุกมกาลังนำเสนอภาษาริบุตรเทระในชาติที่ท่านเป็นดาบทื่อสุรุจิกําลังอธิบายถึงคุณสมบัติของลูกศิษย์ของท่าน จึงมีจำนวนมากถึงสองมืนสี่พันคนก็แสดงว่าท่านเหล่านั้นบำเพ็ญเพียนมาระดับรูปฌานแล้วก็ได้อภิญญาซึ่งก็เป็นคุณสมบัติที่มีอนแม้ในพระพุทธศาสนาแต่ว่าของระดวบ ของพระพุทธศาสนานั้นสูงกว่าเจตพิญญาเขาก็มีห้าข้ออุศาสตร์พระพุทธศาสนาก็มีหกข้อแล้วก็ประสิทธิภาพของแต่และข้อนั้นก็มีความยิ่งยอนแตกต่างกันเพราะว่าเป็นระดับโลกียธรรม คือธรรมที่ยังทำคนให้ต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัตรเพียงแต่ว่าพบชาติมันประนีตน ะ, ะครับหมายความแล้วหมายความว่าตายไปแล้วก็บังเกิดเป็นพรหมท้าวที่พบที่ท่านว่ามาทั้งหมดท่นก็เป็นพวกรูปประพรมข็อต่อไปท่านบอกว่าโปรสิทธิ์ของท่าน เป็นผู้ถึงที่สุดแห่งอภิญญาอภิญญาฮาประการนะครับยินดีในโพจรนันเป็นของบิดาคือหมายความว่าดำเนินชีวิตแบบเดียวกับอาจารย์อาจารย์ขอท่านประพฤติปฏิบัติตนหลังอย่างไรลูกศิษย์ก็ถือตามปฏิบัติตามอย่างนั้น สังคมมนุษย์เราถ้าออกาเอาขนาดนั้นได้นะก็แนวการคบหาสมาคมกับบัณฑิตนั่นเองเชื่ว่าลูกทำหน้าที่ของลูกที่ดีพ่อแม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดีมันก็เป็นเรียกว่าโคโจรของบิดาด้วยกันทั้งนั้น เพราะว่ามีตัวอย่างบุคคลที่ครองชีวิตในลักษณะที่อยู่ดีมีสุขกันเยอะในโลกนี้แล้วถ้าเราถามหลักการปฏิบัติก็จะอยู่ในแนวเดียวกันพูดง่ายๆว่าอยู่ในศีลในธรรมคนที่อยู่ในศีลในธรรมก็ครองหรือครองสุขก็เลยมาจนถึงระดับประเทศ เราแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่กันแพร่หลายแล้วก็ต่อเนื่องเรามีพระบรมชายาลักษ์ติดอยู่ที่บ้านกันทั่วถึงส่วนจะทุกหลังคาเรือนหรือไม่เนี่ยก็ไม่มีการสำรวจแต่เข้าใจว่าก็คงจะมีทุกหลังคาเรือนหลับเพียงแต่ว่า สามารถประดับประดาตกแต่งได้สวยงามขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับกำลังทางเศรษฐกิจของคนเหล่านั้นแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือแสดงให้เห็นเรื่องความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีปรรมมราชวาทปฏิปทาจริยวัรที่สวยงามก็เรียกว่าแบบอย่างของพระโพธิสัตว์ที่เดียว แต่ว่าเราตามปกติแล้วก็เป็นคลื่นกระทบฝังอย่างพระบรมราชโาสที่รับสั่งต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพศะะ .2549 ก็ดีแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันที่ห้าธันวาคมก็ดี วันขึ้นปีใหม่คือวันที่หกประวันที่หนึ่งมกราคมกันนิตเป็นการกระตุ้นเตือนจิตสำนึกทีด่ดีมากๆามาตั้งใจเอาไว้ว่าในเดือนมีนานั้นจะบรรยายพระงรมราชว่าสามสี่วว 3, ชุดด้วยกันออกทาง ออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาศูนย์ส่งศูนพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยที่วัดราชาธิวัตรเพราะว่าเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบันหากว่าแต่ละฝ่ายได้หยุดคิดหยุดํำนึกหยุดสันเนียก ว่าเราแสดงความจรักภักดีกันอย่างนี้เถอะอย่าเอาแต่ร้องเพลงกันเลยร้องเพลงก็ร้องเพลงไปแต่ว่าการปฏิบัติตามคําสั่งสอนและการปฏิบัติพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันเป็นบุญเป็นคุณแก่ตัวเองแล้วก็สร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันโดยความเป็นมิตรสนิทสนมกัน ปัญหาที่เราวิตกกังวลกันมันก็จะผ่อนคลายไปเองโดยธรรมชาติของมันเพราะที่เราขัดแย้งนั้นต่างฝ่ายต่างก็รับใช้กิเลสมากบางน้อยบางแล้วก็กลายเป็นความรุนแรงก็ต้องกระเทือนต่อสังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่ เราเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนแล้วคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็พลอยเดือดร้อนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองมันก็ห่วงใยท่านก็วิตกกังวลกันกว่าจะให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นมีโหรมาทำนายมีคราดมีอะไรแต่อะไรก็ว่ากันไปตกป่าในรูปที่ไม่ค่อยจะดีเท่านั้น แล้วก็บอกว่า เ, าเที่ยวไปในอากาศคือเที่ยวไปโดยอิทธิวิธีนะฮะเที่ยวเที่ยวเที่ยวไปโดยริดเนี่ยไปในอากาศได้เป็นนักปราศคือเป็นผู้มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดใช้ปัญญาในการครองชีวิตที่เรียกว่าปริหารยปัญญา แล้วก็บำรุงท่านปฏิบัติบำรงในฐานะที่เป็นวัดปฏิบัติเดี๋ยวคนมากมายขนาดนี้คงเปลี่ยนเวรกันแจกจ่ายการรับผิดชอบในบริเวณอาสมซึ่งคงจะกว้างใหญ่ไพศาลมากก็กลายเป็นหน้ารื่นรม คือสถานที่อยู่ที่อาศัยในน่ารื่นรมคือสะอาดสงบสว่างนะฮะสะอาดสงบสว่างมันก็น่าอยู่ตามโครงสร้างของศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญิไปสิทธิ์ของเราเหล่านั้นซ้ำรวมดีแล้วในถวาวรทั้งหกก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ ยามกระทบกับอารมณ์จากข้างนอกจิตใจก็จะไม่ยินดียินร้ายกะดูสภาพไปล้อมแล้วมันก็ไม่น่ายินดียินร้ายจริงๆนั่นแหละมันก็มีแต่รู้สึกความรื่นรมบันเทิงใจสงบใจเยือกเย็นดูในน้ำก็หลากหลายด้วยสายพันปลาดูในป่าก็หลากหลายด้วยพันไม้ แล้วก็มีนกหลากหลายชนิดเสียงนั้นมันเป็นมิตรอะภาพที่เราเห็นด้วยตาก็ดีภาพที่เราได้ยินด้วยหูก็ดีเสียงที่เราได้ยินด้วยหูก็ดีภาพที่เราดูด้วยตาเห็นปลาว่ายไปไว่ายมาเนี่ยมันเป็นภาพที่น่าดูไม่ใช่เป็นภาพที่น่ากิน คือบางครั้งบางคราวคนเราพอมองไปแล้วก็คิดแต่เรื่องตัวเองแต่ถ้าเราปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาติเขาแล้วเราก็ไปดูเฉยมีอาหารอะไรไปให้เขาก็ให้อาหารเขาก็ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขพระารบทที่สํารวมระวังขนาดนี้ได้เนี่ยแต่แนวสํารวมระวังผึ่งสังเกตว่ามันเป็นแนวสา ก, กล หมายความว่าคนถ้ากากับการครองชีวิตด้วยสติสัมปชัญญะการสำรวมระวังก็ต้องเกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาทาไมสำรวมระวังจะให้จิตใจสงบได้ยะไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ที่มากระทบซึ่งตามปกติแล้วคนเราจะเกิดรักชังนะยินดียินๆๆร้าย ถ้าเราชอบเราก็ยินดีถ้าไม่ชอบเราก็ยินร้ายส่วนมากก็ใจลงก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างเงี้ยก็เรีย่ยวฟูแฝบแฝบฟูฟูแฝแฝบไปอย่างนี้รักษาอินทรีย์คือรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นอย่างหนึ่งในขณะเดียวกันก็รักษาศรัทธารักษาความเพียรรักษาสติรักษาสมาธิรักษาปัญญานะั่นก็อย่างหนึง่งแล้วก็ แยกย้ายกันอยู่ไม่คลุกคลีกันไม่มีการคลุกคลีกันแบบสวนเสหหาสนุกสนานตำลองนักเลงสุราหรือคนที่ชอบบันเทิงเรื่องรมทั้งหลายเนี่ยเสียงลั่นเจียวจาวไปหมดมีคำพูดหรือประดิษประโยคหนึ่งในสังคมไทยก็เรียกว่ายุวเยียยไปหมด มันดูมัวุ่นวายภาพของคําระยุทธเยี่ยนี่มันวุ่นวายเลยกัแต่ว่าการคลุกคลีกันของนักบวชไม่ใช่ไม่ถึงกับถึงกับไม่คลุกคลีเลยแต่จะคลุกคลีกันเป็นลักษณะเป็นกิจจลักษณะเช่นว่าถึงคราวปฏิบัติกิ จ, จวัตรต่างๆ ตามภาระหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบต่างคนต่างทาแต่ว่าบางจุดมันก็ประสานกันหรือว่าดูแลอุปถัมภ์อาจารย์สถานที่อยู่ของอาจารย์ก็ต่างคนต่างก็ทาแล้วก็ประสานกันช่วยเหลือกันเรื่องบางอย่างที่มันหนักก็แบ่งกันช่วยแบกช่วยหามช่วยยกมันก็เป็นการคุกครีแต่ว่าเสร็จภารกิจก็คือเสร็จภารกิจ เป็นการอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรเป็นนักปราบที่หาผู้เสมอเหมือนได้ยากแน่นอนท่านได้ถึงอภิญยาไม่จะยุคสมัยที่มีพระอาหารหันต์ไม่จะยุคสมัยที่มีพระโสดาบันสกาาิตาคานาคาอาหารหันต์เพราะงั้นท่านขนาดนี้มันก็คนจับท่านยากนะเพราะอภิญญามันเป็นพลังจิตที่สงบ ลึกมากๆและท่านก็อยู่ด้วยฌานคือเพ่งฌานอยู่เสมอท่านก็สงบอะเมื่อสงบปัญญามันก็เกิดมีไหวพริบมีปฏิภาณมีความเฉลียวฉลาดมันก็เกิดขึ้นแต่บอกว่าสิทธิของเราเหล่านั้นยับยั้งอยู่ด้วยการนั่งสมาธิการยืนและการจงกรม หนเวียนกันอยู่ในราตรีก็ปฏิบัติได้ยากเหมือนกันคนอื่นปฏิบัติได้ยากคือแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าตามปกติแล้วท่านจะนอนแต่น้อยแต่ว่าเนื่องจากท่านหลับยังมีสมาธิหลับปั๊บก็คือหลับเลยหลับเลยร่างกายก็พักผ่อนเต็มที่พักผ่อนเต็มที่ท่านก็ปฏิบัติภารกิจต่างๆของท่านโดยเฉพาะ อิยาบทการนั่งสมาธิการเดินจงกลมการสำเร็จศีหาสายญาติอะไรต่างๆแก่ท่านก็ทำกันไปนตามจังหวะไปแล้วก็สิทธิ์ของเราเหล่านั้นไม่กำหนัดในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดถ้าใดบรรลุฌานนะฮะคือตั้งแต่ปฐมฌานมันก็สงบความกำหนัดแล้ว แต่นี้ท่านไปถึงเจตุชานได้ปัญญาแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งคืออารมณ์ยั่วยวนมันไม่มีอย่างที่ว่าคือท่านอยู่ในป่าอารมณ์ที่ยั่วยวนไม่มีมันกระทบบ้างแต่ว่ามันไม่ถึงกับกระแทกไม่ถึงกับกระทุง้งท่านก็ไม่กระเทือนเพราะตามปกติแล้วพวกฤษีชีไพรเนี่ยท่านจะไม่เข้าเมืองนะี่ย พอถ้าเข้าเมืองแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกลับไม่ครบโดนอารมณ์โลกอารมณ์ที่ปรุงแต่งอารมณ์ที่ยั่วยวนแล้วถ้ามีการจงใจของกลุ่มคนเหล่านั้นแล้วก็เรียกว่าเหลือได้ไม่กี่คนอารมณ์โลกมันแรงมากมันตอบสนองสัญชาตญาณลึกๆของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย การจะครงตนในรอดพ้นจากอารมณ์โลกจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากก็ต้องต่อสู้กันไปรูปแบบของการสร้างวัดเนี่ยเราจะพบว่ามันต้องการให้เป็นอารามแปลว่ารื่นรมใจนี่ใจิตใจรื่นรมแต่นี่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยมันเรื่องยากไปหมดแหละ แต่เราจะไปแก้ปัญหาข้างนอกเนี่ยเราก็แก้ไม่ได้มันก็ต้องแก้ปัญหาที่จิตใจเราเองทีนี้ของท่านดา บ, บทเหล่านี้เราจะเห็นว่าเมื่อท่านเจริญสมาธิจงกรมบาเพ็ญเพียรทางจิตอย่างต่อเนื่องเพ่งฌานอยู่อย่างต่อเนื่องในฌานท่านก็บรรลุแล้วฌานท่านก็ไม่เสื่อมมันก็เป็นธรรมดาของคนที่ฌานอย่างไม่เสื่อม มันก็จะไม่หวั่นไหวในอารมณ์ที่มากระทบแต่ละข้อก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าเป็นเรื่องต้องพยายามถ้าเราก็อย่างนั้นแหละก็พยายามกันไปจนถึงกับแม้บางครั้งบางคราวก็เห็นภาพต่างๆเหล่านี้จใจน้อมเข้าที่ที่อารมณ์ของกรรมฐาน หรือว่าไม่ปรุงคิดคิดปรุงไปตามกระแสของอารมณ์จิตใจก็จะอ่อนไหวน้อยลงแต่นี้ท่านไม่อ่อนไหวเลยนะฮะทีนี้ไม่ขัดเคืองในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองอันนี้เห็นในชาติว่ามันสืบเนื่องมาจากฌานที่มีอยู่ภายใ น, นอย่างหนึ่งและสติสัมปชัญญะที่คุมใจนั่นอย่างหนึ่ง คือหมายความาฌานกับอินทรสงังวลเนี่ยเขาเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนกันฌานมันเป็นพลังจิตที่อยู่ข้างในตอนตอนองกระจายกับน้ำที่ใสสะอาดเนี่ยมีโครนตมอะไรตกลงไปนิดๆหน่อยๆมันก็ละลายหายไปองกอารมณ์โลที่มากระทบมันจะมีลักษณะอย่างนั้น อย่างที่ท่านเล่าไว้ไวในชาดกทั้งรอสีที่เสื่อมจากฌานเนี่ยก็ประสบกับอารมณ์ที่เรียกว่าเป็นคัาศึกต่อจิตใจกระแทกกระทานใจแรงสมาธิก็แตกนะฮะสติก็ขาดสมาชัญญาก็ขาดความคิดเดิมที่เคยมีมันก็หายไป รภาพที่ปรากฏในขณะนั้นมันคัดค้านกับความคิดเดิมของท่านเพราะเขาปรุงแต่งมาเป็นอย่างดีพระฤาษีก็เสื่อมหลายปีมาแล้วประมาณสักสี่สิบกว่าปีมาแล้วนะฮะสี่สิบกว่าปีมาแล้วสมัยนั้นมีการนิยมเรื่องกรรมฐานกันมาก แล้วก็พระอาจารย์กรรมฐานนั้นก็จะไปไหนมาไหนเป็นกระบวนเดียวเดินทางมีชุดหนึ่งเนี่ยจากภาคใต้จากจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางก็มาแวะที่กรุงเทพเนี่ยสร้างข่าวเือาแพร่หลายในสื่อสารมวลชนในกรุงเทพอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นก็เดินสายขึ้นเหนือ นานแล้วหายไปไม่มีข่าวเลยก็พอดีในกลุ่มพระเหล่านั้นก็รู้จักกันอยู่บ้างต่อมาก็ไปพบท่านเหล่านี้แถวจังหวัดภาคกลางเนี่ยเดี๋ยวถามมาทีีไปกันคราวนั้นตั้งสามสี่ร้อยนี่หายไปไหนหมดล่ะทำไมมากระจัดกระจายอยู่แถวนี้ต่านบอกว่าโดนสาวๆแถวนั้น กวาทไปทำรังไก่จะเกือบหมดเลยตอนนั้นมันอะไรล่ะคือหลังจากการฉลองยี่ผ้าพุทธศตรวรรษผ่านมาไม่กี่ปีหรอกมันมีการสร้างภาพเพื่อเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเป็นภาพผู้ชายแต่งชุดราตรีซีกหนึ่งแล้วก็เป็นโครงกระดูกซีกหนึ่ง ผู้หญิงแต่งชุดราตรีนะฮะเยู่โครงกระดูกครุกหนึ่งซิกหนึ่งแล้วก็เป็นโครงกระดูกซิกหนึ่ ง, ง, เ, ป ง, งเป็นชุดราตรีซิกหนึ่งผู้ชายก็แต่งชุดสูทอยู่โครงกระดูกอยู่ซิกหนึ่งแล้วก็เป็นชุดสูทอยู่ซิกซิกหนึ่งก็ยืนยืนยืนจับมือกันอยู่แล้วข้างล่างในเขียนว่านัตติสังโค ว, วิชาณตาง แปลว่าผู้รู้ไม่เกี่ยวข้องอยู่ไม่เกี่ยวข้องไม่ผูกพันไม่ยึดติดอยู่คาถาเต็มนั้นพระพุทธเจ้าเราสั่งว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุดราชรรที่พวกคนเขาข้องอยู่แต่พวกผู้รู้หาค้องอยู่ไหมคือไม่ค่องอยู่ต้าก็ไปวางข้างหน้าแล้วก็เพ่งดูเจริญสุภาพกรรมฐาน อสุภากับมันฐานนี่พูดเป็นเล่นไปเจริญยากนะฮะหมายความถ้าใจไม่พร้อมจริงๆแล้วก็มันย้อนอ ด, นดีตอะ่ะมันปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาปรุงไปปรุงมาปรากฏว่าฝ่ายโครงกระดูกกลายเป็นเสื้อผ้าไปหมดเลยแล้วก็สึกไปเยอะเพื่อ น, นแล้วก็ภาพเหล่านี้ก็หายไปเลยทุกวันไม่เคยเห็นที่ไหนอีกเลย จะมีอยู่ในสำนักไหนบ้างก็ไม่ทราบตนะ่แต่ว่าในส่วนตัวแล้วยังไม่เคยเห็นภาพนี้อีกเลยสี่สิบกว่าปีมาแล้วนั้นเพราะอะไรเพราะท่านยังไม่ได้บรรลุฌานหรืออาจจะบรรลุแล้วแต่ก็เสื่อมแน่เพราะว่าเวลาท่านไปอยู่ในป่าเนี่ยท่านก็กระจายกระจายกันไปมากดกระจายกระจายกันไป สาวๆก็ไปไหว้ไปกราบไปดูดวงไปขออะไรอะไรก็ว่ากันไปอ่ะทีนี้มันมันปัญหาว่าไปอยู่กับผู้หญิงสองต่อสอง่ะเพราะท่านอยู่ไกลอ่ะคนเข้าไปท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วสุดจิตมันก็กำเริบแปรปรวนแปรผันไปตามกระแสะของมนุษย์ ก็ถูกสืขาละเพศไปท่านสืขาลาเพศไปเองนะท่านเห็นว่าเอาไม่อยู่ก็ไปก็สืบออกไปแต่ดาบทเหล่านี้ไม่ได้พูดในลักษณะนั้นคือท่านมีสติอยู่แล้วก็มีฌานอยู่วันใจก็จะไม่กำหนัดไม่กัดเคืองไม่รุ่มหลงไม่มัวเมาในอารมณ์ดาเท่าที่ ฌานยังไม่เสื่อมสติสมัชัญญะยังเกิดดับได้ต่อเนื่องหมายความถ้าสิ่งนี้มีสิ่งโน้นก็ไม่มีเมื่อสิ่งโน้น ม, มีสแสดงว่าสิ่งนี้เสื่อมแล้วก็เขาไม่เกิดร่วมกระดับแต่เกิดร่วมกันอาจจะต่อสู้กันระยะหนึ่งชักกระเยาะกันอยู่ระยะหนึ่งแล้วแขวยใดแขาะหนึ่งก็ชะนะไป แพ้ไปพวกเราในสมัยอดีตก็เหมือนกันแหละก็แพ้แพ้ก็เยอะที่ชนะก็เยอะคนสมัยนี้ก็เหมือนกันแพ้อาจจะเยอะกวา่าชนะก็อาจจะน้อยกว่าบางทีมันไปเอาจริงๆนะฮะเอาไม่อยู่เสียใจไม่ได้แล้วก็บอกว่าหาผู้อื่นเสมอเหมือนได้ยาก สิทธิเหล่านั้นแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆประพฤติอยู่เป็นนิสัยาการอันนี้มันก็ชำนาญแสดงฤทธิ์จนชำนาญทีวิทีคือหมายความว่าท่านชนา น, นชาญในฌานท่านก็ชำนาญในพิญญาแล้วก็เมื่อเข้าฌานก็ฝึกไปออกกับพิญญาทนจำเจจนเรียกว่าแรงกระแทกถ้าไม่แรงเนี่ยท่านก็เอาตัวรอดได้แหละ ถ้าก็อยู่ของท่านมาจนสิน้นอายุก็ตายแล้วก็บังเกิดเป็นพรหมโลกแต่ท่านไม่เสื่อมนะฮะเพราะในหลักฐานทางพระพุทธศาสนาเราเอง เ, อเวลาออกไปคุกคีกับชาวบ้านเนี่ยก็จะเสื่อมเสื่อมได้ง่ายนะฮะเสื่อมได้ง่ายยิง่งเขาจงใจมาด้วยเลยยากมาก ผลการดีที่สุดอย่างที่พระนรนกราบทูลถามก่อนพระพุทธเจ้าจะเป็นนิพพานเนี่ยว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรต่อสตวสีเพศผู้จารับสั่งว่าถ้าไม่ดูไม่เห็นเลยก็ดีแต่จําจเป็นต้องดูต้องเห็นจะทําทอย่างไรถ้าไม่พูดได้ก็ดีแต่จําจเป็นจะต้องพูดจะทำอย่างไงก็พูดให้เป็นอ่าเป็นธรรม มีความสำรวมระวังในช่วงพูดนี่นะหมายความว่าเรามีหน้าที่ในการพูดอนะไม่น่าไ ม, ไม่มีหน้าที่ในการเพ่งดูหน้าตาเขาอาจจะมองให้เลยศรีรษะเขาก็ได้มองที่พื้นก็ได้หรือมองเบี่ยงไปในด้านใดด้านหนึ่งก็ได้คือไม่ได้เพ่งเล็งไปในส่วนของรูปร่างหน้าตาเขา เพาถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ได้ยินเฉพาะเสียงแล้วก็โต้ตอบในส่วนของเสียงเขาพูดพูดในเป็นกิจลักษณะเป็นเรื่องเป็นราวพยายามอธิบายพยายามชี้แจงเป็นเรื่องเป็นราวพอพูดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นทำเป็นบินัยเนี่ยเขาฟังไม่นานหรอกนอกจากว่าคนที่สนใจจริงๆสนใจจริงจก็มาคุยธรรมะคุยธรรมะกี่ชั่วโมงก็ได้ก็ไม่ไดแปลกอะไร ก็คุยกันไปถ่ายดีก็ต้องมีเพื่อนภิกษุสามเณรเด็กอยู่เป็นเพื่อนเด็กที่รู้เรียนสานะฮะอยู่เป็นเพื่อนก็คุยกันไปได้ถ้าคุยเรื่องธรรมะที่จริงถ้าเราคุยเรื่องธรรมะแล้วมันจะโปร่งนะฮะมันจะโปรง่งคือเพลินไปอย่างนั้นเองเขาถามมายิ่งดี ถามมาบางทีเราก็ฉุคิดฉุกคิดคำถามใหม่ๆของชาวบ้านระใหม่ๆเนี่ยบางทีเรื่องบางเรื่องเราไม่เคยคิดเราพลาตามปกติแล้วก็ขาดประสบการณ์ในทางโลกแต่พอก็คิดเราก็นึกธรรมะออกเพราะว่าประสบการณ์ในทางโลกที่จริงมันก็มีอยู่แล้วในทางธรรม พอเขาถามมามันก็นึกออกอะ่ะนึกออกอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้แต่เราก็ไม่ต้องไปอ้างอิงอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วท่านก็บอกว่าบรรดาลให้แผ่นดินไหวก็ได้หาผู้อื่นเสมอเหมือนได้ยากด้วยการแข่งดีภาพไม่แผ่นดินไหวเนี่ยมันก็คือพวกกสินนะฮะพวกนี้ก็เข้ากสินก็เล่นพวกกสินต่างๆเนี่ย ก็ทำให้แผ่นดินไหวได้แต่ก็ไหวมากไม่ได้นะบ้านเรือนก็พังก็ไหวพอรู้ว่าแผ่นดินไหวแต่ว่าทัาแรงนะเป็นอะไรละหกเจ็ดลิตรอะไรต่างๆต่างๆก็ไม่ได้บ้านเมืองก็พังหมดก็ต่อไปท่านบอกว่าสิทธิเหล่านั้นเมื ja ่อจะเข้าฌานก็เข้าปฐมฌาน ไปนำผลว่ามาหาผู้อื่นเสมอเหมือนได้ยากล้วก็ไปในทวีตต่างๆอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะว่าหมายความว่าท่านที่ได้พิญญาแล้วต้องการจะไปปรากฏในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยท่านเข้าที่ปฐมฌานเท่านั้นเองเพราะปฐมฌานเนี่ยมันก็ไปเพื่อจะไปเอาผลว่า มันก็มีพิตกวิจาร์ปีติสุขเอกะกะตานิวรณมันสงบหมดเหมือนกันตัวสงบไปลึกก็อย่างที่บอกนะว่าจากการสังเกตพบว่าเวลาท่านจะเข้าสมาธิธรรมดาเนี่ยท่านจะเข้าแค่ทุทติยฌานแต่นั้นเนีงเป็นที่ตธรรมสุขวิหารก็ พวกหนึ่งไปอมรคโยยานทวีปพวกหนึ่งไปบุพาวิเทหะทวีปพวกหนึ่งไปอุตรากุรุทวีปสิเห่านั้นหาผู้เสมอเหมือนได้ยากสิเหล่านั้นทรงหาบไปข้างหน้านี่ก็แสดงอิทธิปฏิหารคือไม่ได้หาบนะฮะแต่หาบแต่ลอยไปข้างหน้าเดี๋ยวตัวเองก็เลื่อนลอยตามไปก็คงจะไปเร็วอนะฮะ แล้วก็พ อ, อยาลือ ม, มารุสีนี่ก็เก็บผลไม้ได้นะมรุสีนี่ก็เก็บผลไม้ได้เดี๋ยวก็ผลไม้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาให้เก่นักบวชไว้ตั้งแต่ทำพิจิเสเวยราชก็ไม่เป็นอทินาฐานเดี๋ยวป่าสมัยนั้นมันมากคนไม่มาก วาระการการเก็บต้นไม้ป่าแม้สมัยปัจจุบันก็มีให้เก็บอยู่ังเป็นอาชีพอย่างหนึ่งของชาวบ้านอยู่บางแห่งก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมายบางแห่งก็อาจจะถือว่าผิดกฎหมายก็แล้วแต่นะฮะเพราะกฎหมายมันเพิ่มขึ้นมาเยอะอีกล้เดี๋ยวนี้ทีนี้ท้องฟ้าถูกดาวบด สองมืนสี่พันบทบังแล้วหลวายคนชาวบ้านเองก็รับรู้กันว่าดาบทนีเหาได้ดาบทสามารถเดินลอยไปในทางนภากาศได้สมัยพระพุทธเจ้าเองที่ไปธรรมานนโทปนันธารากราชก็ไปในลักษณะ น, านี้เลื่อนลอยไปเหมือนก็นนบินเป็นฟูงไปเลย หรือไปโปรดนางจิรสุภาทาัทธาที่เมืองไกลออกไปมากก็เลื่อนลอยไปในอากาศแต่ว่าเทวดามานิมิตเป็นวอเป็นเสลี่ยงให้นั่งไปเกืดอแทนที่จะเหาะไปเฉยๆก็เรานึกดูว่าการโอมจิบอลแล้วเหาะเนี่ยไม่ใช่สนุกนะไม่เจอลมข้างบน ตนั้นก็นั่งเป็นแคร่แกยานผานะก็เลื่อนลอยไปก็ดูเป็นภาพสวยงามแต่บาีก็เลื่อนลอยไปนะหรือการควบคุมไอเสื้อผ้าอาพรต่างๆก็ควบคุมกันไปแล้วท่านก็บอกว่าสิทธ์บางพวกปิ้งให้สุขด้วยไฟกินบางพวกกินดิบ นั่นเองบางพวกเอาฟันแทะเปลือกออกก่อนแล้วบางพวกตามด้วยครกแล้วก็กินบางพวกทุบด้วยหินแล้วก็กินบางพวกกินผลผลไม้ที่หล่นเองบางพวกชอบสะอาดดงอาบน้ําทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าบางพวกเอาน้ํารถอาบติดของเราเหล่านั้นหาผู้อื่น ระมือเงินได้ยหอันนี้เป็นวัดของฤาษีนะฮะเป็นวัดของฤาษีฤาษีมันมีตั้งเจ็ดแปดประเภทก็กําหนดที่วิธีการครองชีวิตเนี่ยก็บางพวกที่ไปกินเปลือกไม้ไปกินใบไม้กินดอกไม้อะไรต่างๆอ่าก็มีทั้งนั้นแหะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวัดปฏิบัติของผู้ฤาษีครับแต่พระเราไปทําไม่ได้เพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่ ไปเก็บใบไม้ไม่ได้หรืสีก็ทำได้พระมีวินัยห้ามไปทำในลักษณะนั้นไม่ได้แต่ว่าสรุปว่าท่านเล่าถึงวัดปฏิบัติของท่านแสดงว่ายอมรับนับถือวิธีการปฏิบัติของพวกฤาษีทั้งหลายที่มีอยู่ก่อนน่ะใครพอใจของใครก็เอาของคนนั้นเอาถือวิธีปฏิบัติของคนนั้น บางบางคนก็ละเมียดละไมนะอาบน้ำทั้งเชา้าทั้งเย็นขัดสีสวีวันให้สะอาดจึงจะรับประทานอาหารอันนี้ท่านไม่ได้บอกว่าสีแปดหรือสีห้าแล้วก็บอกว่าสีของเราเหล่านั้นปล่อยเล็บมือเล็บเท้าและขนรักแร้งอกยาวขี่ฟันครึ่ไม่แปลงฟันนะฮะ มีฝุ่นผงบนศีสะแต่ว่าหอมด้วยกลิ่นศีลหาผู้อื่นเสมอเหมือนในยาอันนี้เป็นเป็นธรรมเนียมของพวกเหล่านี้คือเขาไม่ตัดไม่โกนหมายความมาตั้งแต่ผมมาก็กล่าวเป็นชดาเป็นกระซึงเชียวไม่ชำระสาะสารให้เกิดความสะอาดแล้วก็ปล่อยเล็บมือเล็บเท้ายาว ก็ไม่ได้พูดถึงประเภทกรรมมือจนเด็บทะลุเนี่ยนรักแร้ก็ยาวขี้ควันก็เครือมีฝุ่นผงบนศีรษะพวกนี้บูชายันแล้วฝุ่นฝุ่นรอโรยบนศีรษะเพ่ท่านเราจะพบฤษีพวกนี้ทุกวันยังรืองยางครบในอินเดียเนี่ยยังมีอยู่ครบเยอะแยะไปหมดเลยที่เมืองพารนสีก็เยอะ ล้วไปขึ้นขึ้นไปแถวฤษีเกตฤษีอะไรก็จะเห็นกันดีกเยอเป็นเรื่องแปลกแต่จริงก็คือว่าแนึกไปออกว่าทำไมท่งปฏิบัติอย่างนั้นแต่ท่านก็มีความเชื่อว่ามันเป็นบำเพ็ญตบะก็ตบะตามความเชื่อของท่านนี่นะแล้วผลจากบำเพ็ญตบะในบางทีมันต้องการสวรรค์ แต่พอดีพวกนี้ถ้าทุกท่านบนรรลุอภิญญาก็แสดงว่าไม่ต้องการสวรรค์แล้วเมื่อาบทเหล่านั้นหลีกไปเสียงที่ดังย่อมเป็นไปเราเทวดาตั้งหลายย่อมยินดีด้วยเสียงหนังสัตว์นุ่งหนังสัตว์นะทีเีเรานึกดูว่าคนทั้งสี่หมื่นกว่าคนไปนุ่งหนังสัตว์สองหมืนสี่พันคนนะ ไป น, นุ่งหนังสัตว์และหนังสัตว์เนี่ยเอามาจากไหนหรือสีจับสัตว์จำแหละได้หรือว่าคนถวายถ้าคนถวายแห ม, มก็เยอะนะสองหมื่นสี่พันเนี่ยไม่ใช่เล่นเขาเรียกว่านุ่งคากรองครองหนังสือหนังเสือนุ่งคากรองก็เปลึกไม้นะฮะเปลืกเปลึกเปลือกไม้มาต่ําแล้วก็กรอง ก็คงแบบทําอะไรแหละกระดาษสากระดาษเสือยังแนวปัจจุบันนี่แหละแต่ว่ามันมีหนังเสือทำไมเ จ, จาะจงหนังเสือนี่ก็ก็ไม่ได้บอกไว้เพราะเสือก็สิงโตที่จริงตัวสิงโตโตกว่าแต่ว่าเราก็พบว่าถ้าดาบทแล้วก็ครองหนังเสือ ปัญหาที่ท่านไม่ได้บอกไว้เลยก็คือว่าหนังเสือมาจากไหนล่ะไปฆ่าสัตว์มาหรือเปล่าถ้าฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นบาปหรือเปล่าแต่บาปฤษีนะในความรู้สึกนึกคิดของฤศีเนี่ยมันเป็นบาปหรือเปล่าแต่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นมรรลุอริญญามันจิตมันไม่ใจไปจิตไปฆ่าสัตว์นะความคิดในการจะฆ่าสัตว์มันก็ไม่มี เทวดาชื่นชมยินดีเพราะว่าคือเสียงเนี่ยก็เรียกว่าไปกรอกแกรกกรกแกรกหละหนังสัตว์มันกระทบกันหนังสัตว์ก็คงไม่ดีอย่างในสมัยวัจจุปันเราก็กูดกู ด, ด, ดทำความสะอาดกันพอจะทำกันได้คงไม่ได้มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาช่วยอย่างในปัจจุบัน ฤุษีเหล่านั้นลกล้าแข็งด้วยกำลังของตนเหาะไปในอากาศไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ได้ตามปรารถนาพระธรมปกติแล้วตามตำนานที่ท่านบอกไว้เนี่ยวฤๅษีจะเลื่อนลอยไปในอากาศมาก็เป็นฝูงเลยแต่ว่ากระทบอารมณ์แร ง, แรง นะอยางอีสีปตัตนามาฤกษาธาวันที่เคยเล่าให้ฟังป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อเป็นที่ตกไปแห่งฤาษีฤาษีลดนนะฮะคือก็บอกฤาษีก็เลื่อนลอยมาทางอากาศนี่แหละก็พอดีได้ยินผู้หญิงร้องเพลงอยู่ในป่าเมื่อกี่ปีก็ไม่รู้ไม่เคยได้ยินเสียงผู้หญิงอนะ่ะแผู้หญิงก็ร้องเพลงด้วย ก็เกิดพอใจในเสียงก็หันไปดูเห็นรูปก็อพอใจในรูปทั้งรูปทั้ทงเสียงนะ่ะอารมณ์หกยังเหลือสองข้อทอนนั้นเด้งล่นเลยตกลงมาจากอากาศแต่ว่าตำนานที่ท่านเล่าเนี่ยท่านเล่าสองอย่างอย่างหนึ่งบอกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านเลื่อนลอยมาทางอากาศแล้วก็หมดอายุกันหมดเลยทั้งชุดนั่นแหละหมดอายุท่านก็นิพพาน อธิธาตุของท่านก็ตกลงมาที่พื้นก็หล่นเหมือนกันคือสีก็หล่นเหมือนกันแต่หลน่นลงมาเพราะว่าการานิพพานบอกว่าปางหรือสีเหล่านี้แลททำแผ่นดินไหวเตี่ยวไปในอากาศมีเดชแผ่ไปยากที่ใครๆจะคงขี่ได้ ดังสาครที่ใครๆให้กระเพื่อไม่ได้ฉะนั้นรือสิทธิ์ของเราบางพวกประกอบการยืนการเดินบางพวกไม่นั่งบางพวกกินผลไม้ที่หลน่นเองหาผู้อื่นเสมอเหมือนได้ยากอันนี้กินไม้ผลไม้ที่หล่นเองเนี่ยคือไม่เก็บเนี่ยมันเป็นวัดปฏิบัติ และในพระพุทธศาสนาก็เคยมีวินัยนะฮะเกิดวิกฤตการ์าข่าวยากหมากแพงประชาชนเดือดร้อนกัดมากรา ก, ก็อยู่ลำบากพู้เจ้าก็ทรงอนุญาตให้เก็บเอาผลไม้ที่หล่นจากต้นแล้วฉันได้แต่ต้องมีคนประเคนให้ต้องมีคนดมอบให้เพราะว่า มันเป็นวินัยอีกข้อหนึ่งที่พิสูตสันของซึ่งเขาไม่ได้ให้ในปรปรบบัติปะจิติแต่ในขณะเดียวกันในของอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่มีวินัยพุทธานุญาตเป็นพิเศษไว้เขาเรียกว่าอ ah ุกัหิตะคือไปถูกต้องก่อนแล้วไปฉันที่หลังนี่ผิดวินยัยปรปรบบัติทุกข์ เพรมันก็ทําได้ในยุคสมัยที่มีพุทธานุญาตพิเศษก็ระยะไม่ยาวหรอกผ่านวิกฤตการไปก็มีเหตุการณ์สมัยพุทธการก็มีอยู่สองครั้งที่กรุงราชคชึกที่หนึ่งที่เวรัญชาที่หนึ่งแต่ก็ที่อนุญาตที่เวรันชาก็มาห้ามที่ราชชึกที่เกิดที่ราชคชึกก็ไปห้ามที่ไผ่าลี จากนั้นไปก็ก็ถือว่าเป็นบทห้ามพระก็าํามไม่ได้มาจนถึงทุกวันเนี่ยนะทํามไม่ได้เพราะว่าครั้งสุดท้ายทรงห้ามเอาไว้ทีนี้อสาคอเนี่ยทั้งก็หมายถึงหมาสมุทรหมาสมุทรเขาก็มีคลื่นอยู่ตามธรรมดาแต่พอเราจะไปทำให้ก็เพิ่มเหมือนกับขย่าว เขยอนน้ำหรือทำน้ำในลำคลองให้กระเพื่มเนี่ยมันทำไม่ได้นี่ก็เป็นคุณสมบัติของผู้ฤาษีที่ท่านสุรุจิดาวด่านเล่าเป็นคุณสมบัติแต่ว่าคุณสมบัติท่านเยอะนะท่านพันนาไว้เยอะมากก็ ต้องพบกันอีกครั้งสองครั้งไง น, นะฮะแต่ว่าทั้งหมดอย่าลืมว่ามันเป็นคุณธรรมที่สามารถสร้างได้แล้วเขาก็ปฏิบัติปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณกาลอันนี้ก็เลยแล้วเท่าไหร่เราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเขาปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณแล้วดังนั้น พู้เหล่านี้จึงไม่ใช่ล้าสมัยแต่ว่าบางอย่างมันเป็นการทรมานร่างกายเกินไปเป็นนัตกิฬามาธานุโยกก็แสดงว่าแนวพวกนี้แนวบางอย่างเราเห็นว่าเป็นเป็นธุดงนะเช่นว่านั่งเป็นวัดยืนเป็นวัดเนี่ยมันเป็นทุดงอย่างหนึง่งคือหมายความว่าพระพุทธเจ้าก็นํามาประยุกต์ใช้ ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปวัดในแนวทุดดงสมบัตเขาแล้วก็ไม่ตึงหรอกสมรับเราก็ค่อนข้างตึงไปหน่อยเอรจริงเอาจังไปหน่อยก็มีอยู่ทั้งหมดสิบสามข้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไม่นอนเป็นวัดเนี่ยอย่างพระนุรุตเราจะเห็นว่าท่านนั่งอยู่ตั้งยี่สิบห้าปี ก็อยู่อย่าบดยืนเดินนั่งแต่ไม่นอนอยู่ตั้งยี่สิบห้าปีไปจากกูบาลมาเป็นเพียรโดยไม่นอนเนี่ยจนบรรลุมรรคผลเป็นพระหรันไปก็เป็นหลักที่มีการประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในระดับของนักบวชนะฮะในระดับของนักบวชไม่ใช่ทั่วไปแก่ชาวบ้านทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าชาวบ้านจะปฏิบัติก็ไม่มีใครว่าอะไรนะฮะ มันเป็นกฎสากลเป็นหลักสากลถ้าทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้บอกว่าใครทำแต่บอกถ้าทำอย่างนี้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยสีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี